ธรรมกะถาครั้งที่สองตอนสติปฐานสติปฐานสูตรเป็นพระสูตรที่แสดงการปฏิบัติทางจิตใจโดยตรงจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นทางอันเดียวที่จะให้ก้าวล่วงความโศกความคร่ําครวญที่จะให้สิ้นความทุกขโทมนัตที่จะให้บรรลุธรรมะ ที่พึงบรรลุจนถึงที่จะให้ทําให้แจ้งพระนิพพานฉะนั้นสติปัฏฐานนี้จึงให้สาเร็จได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาแต่ในเบื้องต้นควรทําความเข้าใจให้สัมพันธ์กันก่อนว่าจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไรได้กล่าวแล้วว่าคําว่ากรรมฐานนั้นแปลว่าที่ตั้งของการงาน คือที่ตั้งของการงานทางใจฉะนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อจะให้ใจมีกรรมฐานคือใจมีที่ตั้งก็จาเป็นที่จะต้องหาที่ตั้งไว้ให้ใจแล้วก็ตั้งใจไว้ในที่นั้นที่ตั้งที่จะหาให้ใจตั้งไว้นั้นจะหาที่ไหนคือจะตั้งใจไว้ในที่ไหน ถ้าจะตั้งใจไว้ในรูปเสียงกลิ่นรสผุด พ, พะและธรรมะคือเรื่องต่างๆในภายนอกรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นก็จะนำกิเลสเข้ามาสู่ใจใจก็จะประกอบด้วยกิเลสไม่เป็นกรรมฐานเพราะฉะนั้นเรื่องที่ตั้งของใจนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องหาว่าจะตั้งใจไว้ในที่ไหนหรือว่าจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งของใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้ตั้งใจไว้ที่ตัวของเราเองที่ตั้งของใจนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองไม่ให้ไปตั้งไว้ข้างนอกต้องตั้งไว้ข้างในที่ตัวของเราเองที่เรียกว่าตัวของเราเองนั้น ก็เป็นการพูดรวมๆเมื่อจำแนกออกไปก็คือตั้งใจไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตและที่ธรรมในตัวของเราเองคือทุกๆคนมีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมะอยู่ในตัวของเราเองอย่างบริบูรณ์กล่าวคือตอนกาย เมื่อกลับมาพิจารณาดูที่ตัวของเราเองดูข้างนอกเข้าไปข้างในในตอนแรกก็จะพบกายกล่าวคือจะพบว่าตัวเราเองนี้มีการหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติอันจะขาดเสียมิได้ทั้งในเวลาตื่นอยู่ทั้งในเวลาหลับทั้งจะต้องมีอิริยาบถคือ มีเดินมียืนมีนั่งมีนอนอิริยาบทใดอิริยาบทหนึ่งอย่างเช่นในบัทนี้ก็อยู่ในอิริยาบทนั่งนอกจากนี้ยังมีอิริยาบทย่อยๆเช่นมีการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังในเมื่อเดินมีการเหลียวมีการ แ, แล และมีการคู่ส่วนขาส่วนแขนดังที่นั่งอยู่นี้ก็ต้องมีการวางเท้าอยู่ในท่าที่นั่งโดยปกติและยังต้องมีอาการอย่างอื่นอีกทั้งรูปกายอันนี้ก็ประกอบด้วยอวัยวะอาการทั้งภายในทั้งภายนอกเช่นที่เป็นส่วนภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนัง ที่เป็นส่วนภายในก็มีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดีไตหัวใจเป็นต้นอวัยวะร่างกายเหล่านี้เมื่อสรุปลงไปแล้วส่วนที่เข้นแข็งก็สมมติเรียกว่าเป็นธาตุดินส่วนที่เอิบอาบก็สมมติเรียกว่าเป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็สมมติเรียกว่าเป็นธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็สมมติเรียกว่าเป็นาธาตุลมเมื่อาธาตุทั้งหลายยังคุมอยู่โดยปกติร่างกายก็เป็นปกติเมื่อาธาตุทั้งหลายสลายเช่นว่าเมื่อาธาตุลมดับดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายที่ตายทิ้งไว้ไม่ช้าก็จะขึ้นพอง และส่วนต่างๆก็จะสลายไปโดยลําดับในที่สุดก็จะเหลือแต่กระดูกและกระดูกนั้นในที่สุดก็ผุป่นไปหมดเป็นอันว่าเดิมร่างกายนี้ไม่มีในที่สุดก็จะกลับไปไม่มีตามเดิมนี้เป็นส่วนกายตอนเวทนาอนหนึ่ง เมื่อกายยังมีชีวิตธาตุทั้งหลายยังคุมอยู่โดยปกติก็มีเวทนาคือความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเช่นในทางกายประสาทก็รับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นตอนจิตอนหนึ่งเมื่อร่างกายยังคุมกันอยู่ ถ้าทั้งหลายยังดำรงอยู่โดยปกติร่างกายนี้ก็เป็นที่อาศัยของจิตใจจิตใจของทุกๆคนก็มีอาการต่างๆเป็นจิตใจที่มีราคะโทสะโมหะบ้างเป็นจิตใจที่ปราศจากราคะโทสะโมหะบ้างเป็นต้นตอนทำอมอหนึ่งเมื่อพิจารณา ให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะพบเรื่องทั้งหลายมีประจําอยู่ในจิตใจเพราะจิตใจจะต้องประกอบด้วยเรื่องต่างๆที่เป็นส่วนดีบ้างที่เป็นส่วนไม่ดีบ้างที่เป็นส่วนกลางๆบ้างเข้าหลักที่ว่ากุศลธรรมมาทําทั้งหลายเป็นกุศลอกุศลธรรมมาทําทั้งหลายเป็นอกุศล อัพยากตาธรรมมาทำทั้งหลายเป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆลงล้วนมีอยู่ในจิตใจทั้งนั้นเป็นอันว่ากายเวทนาจิตและธรรมนี้เองรวมกันเป็นตัวเราอยู่ในพระสูตรนี้ท่านสอนให้เอาส่วนเหล่านี้เองเป็นที่ตั้งของจิตใจให้ตั้งจิตใจไว้ในส่วนเหล่านี้ แต่ในขั้นปฏิบัตินั้นให้ตั้งจิตใจไว้เพียงในส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนตอนข้อว่าด้วยลมหายใจในข้อต้นก็คือให้ตั้งจิตใจไว้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกคือมีสติ ก, กำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนี้ก็มีอยู่ที่กลายเป็นปกติแล้วแต่ไม่ได้กาหนดในการปฏิบัติก็ตั้งสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มีอยู่เป็นประจำนี้เองดังที่ท่านสอนไว้ในพระสูตรนี้ว่าตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก คือแทนที่จะส่งใจไปในที่อื่นก็รวมใจมาไว้ให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นมีสติอยู่ที่ลมหายใจเสมอคราวนี้ก็กาหนดให้ละเอียดลงไปหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ ไม่ต้องบังคับลมหายใจคงให้หายใจอยู่โดยปกตินั่นเองเป็นแต่เพียงให้รู้เป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับปล่อยให้เป็นไปโดยปกติแต่ว่าให้รู้ต่อจากนี้ในพระสูตรสอนให้ศึกษาคือสําเนียกให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้า ให้รู้กายทั้งหมดหายใจออกคือให้ขยายความรู้สึกตัวออกไปให้ทั่วตัวทั้งที่เป็นส่วนนามกายและทั้งที่เป็นส่วนรูปกายที่เป็นส่วนนามกายนั้นคือสติในขณะนี้เป็นอย่างไรจิตในขณะนี้เป็นอย่างไรความกําหนดในขณะนี้เป็นอย่างไรก็ให้รู้ตัวทั้งหมด ในส่วนรูปกายนั้นรูปกายมีอิริยาบถอะไรเช่นว่านั่งอยู่อย่างไรเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเป็นอย่างไรเบื้องต่ําแต่ศีรษะลงไปเป็นอย่างไรก็ให้มีความรู้ตัวอยู่โดยตลอดเมื่อมีความรู้ตัวอยู่โดยตลอดทั้งรูปกายและนามกายต่อจากนี้ ในพระสูตรก็สอนให้ศึกษาคือสำเนียกว่าจะผ่อนทำลมหายใจให้สงบหายใจเข้าจะผ่อนทำลมหายใจให้สงบหายใจออกความผ่อนทำลมหายใจให้สงบนั้นไม่ใช่หมายความว่ากลั้นใจก็คงหายใจโดยปกตินั่นเองแต่ว่าเมื่อกำหนดจิตให้ละเอียดเข้าลมหายใจก็จะละเอียดเข้า ท่านแสดงว่าเมื่อจิตยังไม่สงบลมหายใจก็ย่อมหยาบแต่ว่าเมื่อจิตสงบเข้าลมหายใจก็จะละเอียดเข้าเองบางทีจนรู้สึกเหมือนไม่หายใจแต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะก็คงหายใจอยู่นั่นเองเป็นแต่เพียงเกิดความสงบขึ้นเท่านั้นตอนรักปฏิบัติสข้อ ในการปฏิบัตินี้ให้มีอาตาปะคือความเพียรหมายความว่าให้มีความตั้งใจประกอบด้วยสัจจะคือความจริงเช่นตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ต้องปฏิบัติให้ครบตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ทำหล่อแหละย่อหย่อนกลับกรอกเรียกว่าให้มีความเพียร แม้จะรู้สึกอึดอัดรําคาญอยากจะเลิกแต่เมื่อตั้งใจว่าจะทำก็ต้องทำไปตามที่ตั้งใจไว้ให้จงได้เมื่อทำจริงเช่นนี้ก็จะเกิดความราบเรื่องขึ้นเองจึงต้องมีอาตาปะความเพียรคือทำจริงนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัว คือให้มีความรู้อยู่เสมอตื่นอยู่เสมออย่าเผลอตัวให้หลับไปหรือดับไปถ้าหลับไปหรือดับไปสูญไปเช่นนี้แล้วก็ขาดสัมปชัญญะคือความรู้การปฏิบัติกรรมฐานก็เหมือนกับเดินพลัดตกลงไปในเหวหรือในหลุมจะปล่อยให้ขาดความรู้ไปไม่ได้ ต้องคุมความรู้อยู่ให้มั่นคงสัพพัญญาคือความรู้นี้จึงเป็นประการที่สองให้มีสติคือความระลึกอยู่ที่ที่ตั้งซึ่งกำหนดไว้นั้นให้แน่วแน่ไม่ปล่อยให้สติเลื่อนลอยไปในทางโน้นทางนี้แม้จะมีอารมณ์อื่นแวบเข้ามาซึ่งทำให้เกิดปีติ หรือทำให้ตื่นเต้นก็ไม่หลงอยู่ในอารมณ์นั้นต้องกลับเข้ามาหาที่ตั้งซึ่งได้ตั้งใจไว้เช่นเมื่อจะเอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นที่ตั้งก็ต้องกลับมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นทิ้งอารมณ์อื่นที่จะมาชักนำให้เขวไปเสียให้หมดถ้ามีสติอยู่ดังนี้ ไม่มีโทษในการปฏิบัติโทษในการปฏิบัตินั้นอยู่ที่การปล่อยสติออกจากที่ตั้งส่งให้เลื่อนลอยไปกับอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเพลินไปกับอารมณ์นั้นถ้าปล่อยสติไปเช่นนั้นบ่อยๆแล้วก็จะทําให้เป็นคนมักจะเผลอใจลอยโทษอยู่ที่ตรงนี้จึงให้ตั้งสติไว้กับที่ตั้งนั้นให้แน่วแน่ อย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเพราะฉะนั้นความมีสติจึงเป็นข้อที่สประการที่4กํกำจัดความยินดียินร้ายในโลกอันนี้ก็เป็นประการสำคัญคือเมื่อประสบอารมณ์ของกรรมฐานที่น่ายินดีก็ต้องคิดว่านั้นเป็นสัญญาหรือเป็นของหลอกทั้งหมดไม่ใช่ความจริง เมื่อประสบอารมณ์ของกรรมฐานที่น่ายินดีเช่นปรากฏนิมิตเป็นรูปต่างๆที่ทําให้ตกใจก็ต้องมีสติรู้ว่านั่นไม่ใช่เป็นของจริงแต่เป็นของหลอกทั้งหมดไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายในอารมณ์ที่ได้รับนั้นให้มีสติกลับมาคอยตั้งอยู่ในที่ตั้งเสมอกระชับอยู่กับที่ตั้งอันนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติที่จะเกิดสมาธิตลอดจนถึงให้เกิดปัญญาก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีฉะนั้นหลักทั้งสี่ประการนี้จึงเป็นข้อสำคัญมากที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะทิ้งเสียมิได้ทิ้งเสียเมื่อใดก็เสียกรรมฐานแล้วก็อาจจะเกิดโทษแต่ถ้ารักษาหลักทั้งสี่ประการนี้ ให้มั่นคงอยู่เสมอแล้วการปฏิบัติกรรมาฐานไม่มีโทษมีแต่คุณและก็จ ะ, จะเจริญขึ้น5สิงหาคมพุทธศักราช2504